เรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายในช่วงคุยธรรมะที่เรามาพบกันอยู่ทุกวันหลังจากที่ โดยมีท่านพุทธทาสในหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยเป็นผู้ที่รวบรวมมาเรียบเรียงมาเอ่อโดยการเลือกเป็นเรื่องๆนะไม่ได้เอา รวมเล่มเรียงใหม่นี่ก็คือหมายความที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัตินํามารวมกันไว้เล่ม 1 นะเอานะนะ 4 และทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะ เอ่อปฏิจจสมุปบาทน่ะก็มารวมเล 4 เล่มละแล้วก็ในระหว่างที่ท่านพุทธทาสได้ทําไปเนี่ยก็ที่เล่ม 1 นะได้ 5 เล่มนะฮะเล่มเป็นพุทธวจนะที่พระ อันนี้ผู้ฟังฟังทีนี้ในระหว่างที่เราฟังนี้น่าจะมีข้อสงสัยข้ออะไรบ้างก็เลยจึงจะมีช่วงๆให้ท่านฟังฟังอันหนึ่งที่พระ แต่แกเวนหางอ Intuition ว่าชีวิตฉันว่าชีวิตฉันไม่มีทุกข์เท่าไหร่นะนี่ทําไมพระเจ้าถึงบอกว่าเธอมีทุกข์เธอจมอยู่ในกองทุกข์อ่ะแตกกันหรือเปล่าอย่างงี้ก็เลยต้องมาทําความเข้าใจว่าไอ้ความหมายทุกข์ๆๆเนี่ยมันเข้าใจไม่เหมือนกันนะเราจึงต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ซะก่อนเอาคําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัวสับซะก่อนแต่คําว่าทุกข์เนี่ยคือ ยังไงที่มันทนอยู่ได้ยากในเชิงของสักอย่างใดอย่างหนึ่งเอาน้ําแข็งมาสักก้อนนึง น้ำแข็งนี่มันอยู่คงที่มาตลอดกาลนานแต่มันนะกี่ดูแล้วกันไม่ต้องพูดถึงน้ําแข็งในที่ในกรุงเทพฯที่ สภาพที่มันทนอยู่ไม่ได้นี่แหละที่มันทนอยู่ไม่ได้นี่แหละคือความทุกข์และ เรามือชี้ไปดูเนาะจะไม่ไม่พบเลยอ่ะไม่มีนะ หยับๆก็ได้ดูในระดับละเอียดๆลงไปก็ได้แล้วดูไปดูไปเนี่ยเรา เรเรายังมีเล็บงอกอยู่ยังมีผมงอกอยู่อ้าวนั่นคือตัวบ่งบอกแล้วว่าเซลล์ อย่างเราเอาไปดูหนังมีความสุขไอ้ความเอาลองไปดูมันแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงแล้วนั่นคิ้วโอ้ยคิ้วยังเออบางทีมัน ไอ้ไอ้ทุกขเวทนานั่นเวทนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาพวกนี้เป็นความทุกข์หมดนะกายของเราไปแต่ละความ จำได้เนี่ยความหมายรู้เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงๆก็ได้นะเวลาที่คุณคิดถึง 1 โว๊บขึ้นมานะหรือสมการทางคณิตศาสตร์ คือมันดับไปล่ะมันก็คือมีความเปลี่ยนแปลงไปล่ะในสัญญาๆคือขันธ์ 5 นั่นแหละนะขันธ์ 5 นี่แหละเป็นตัวทุกข์แต่ เปรจะก็ว่ายไปต้นไม้พวกเนี้ย 5 เอ้าเราชี้ 5 สัญญาสังขารวิญญาณเวทนาด้วยแล้วมัน 5 อย่างเนี้ย มีการเทศน์สอนบอกสอนอย่างไรเป็นส่วนมากนะเขาบอกว่าเอ่อสมณะโคดๆ นี่ทำไมเราไม่เห็นน่ะก็คุณดูไม่ดีๆดูๆมันต้องดูด้วยจิตที่เป็นหนึ่งๆได้นะเราก็ต้อง แต่ที่มันถูกต้องทําไงถึงจะมีทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องได้จิตเราต้องเป็น 1 ท่านฟังจิตเราต้องเป็น จะมีความสุขความอิ่มเอิบใจความสบายใจตรงนี้ได้เนี่ยจิตคุณต้องมีๆแค่ข้อนี้นะเรามี ที่เป็นสมาธิแล้วมันจะเริ่มเห็นล่ะจะเห็นว่าอะไรคืออะไรไอ้ที่เราเห็นสภาพนี้ที่มันเหมือนกันนิ่งๆดูดีๆมองลึกๆพิจารณาใคร่ว่ามันเออมันไม่เที่ยงไง ไอ้เราชีวิตมือไปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยตอนนี้มันใช่แต่ว่ามันต้องมีสักวันนึงที่ มันเป็นสภาพที่ยังสบายอยู่น่ะมันก็ว่ายังไม่มีอะไรลูกไม่ใครสักคน ความสุกว่าที่เขาตายแต่ว่ายังนอยยังไม่ทุก σε้ร su รัฐมร่ำให้คลัมเกรว disciple แต่ faut datos ที่ยังประقองจิตให้อยู่ที่ดี ๆได้อ campaigning เราต้องมาคอยกิดถ้าคุณไม่เคยกิดแต่กุณประมารตแล้วกุณตกอยู่ในผู้ประมารตแล้วเราต้องกดว่ารัดวิจานาว่าถ้าวันนั้นมาถึงฉันก็ทำ tro a พอเราฝึกจิตให้เห็นพิจารณาเห็นอย่างที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็จะอย่างเป็น ไอ้เวลานี่ขยายเนี่ยเวลาๆแต่เวลารวมแสงเข้ามาแล้วเนี่ยไอ้ลําแสงที่รวมเข้ามาเนี่ยมันได้เช่นเดียวกันจิตของ จะลืมตาคิดนั่นนี่ค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดๆหน้าตามที่มันเป็นจริงทุกเนี่ยมันเป็นยัง อันน่ะปนะสติกายคตาสิกก็สอนมากเหมือนกันแต่ 106 แล้ว